อัญเชิญพระวจนะหัวข้อสตรีที่โลกต้องการพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมสุภาศิทบทที่ส1อข้อที่ส0ถึงส1บอดความว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐกว่าทับทิมมากนักจิตใจของสามีเธอ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 เธอนำอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยน้ำามอของเธอเธอปลูกสวนองนุ่น เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและกระทําให้แขนของเธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนแต่เกียร์ของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปัน่น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 จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองวัจนพระเจ้าในช้าวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นเดือนแห่งสตรีหัวข้อในคำเทศนาก็คือสตรีที่โลกต้องการพี่น้องครับเราใช้เวลาถึง3นาทีด้วยกันนะครับที่จะอ่านเช็คลิสต์ เช็คลิสต์ของสตรีที่โลกต้องการสตรีที่พระเจ้าภาคภูมิใจสตรีที่คุณสามีและคุณลูกหลานทุกๆคนนะครับมีความภาคภูมิใจ22ข้อนะครับพี่น้องที่เป็นสตรีก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเป็นเช็คลิสต์เช็คลิสต์ของเรานะครับที่เราจะบอกว่าเราจะมีคุณสมบัติข้อนี้ข้อนั้นนะครับเวลาที่ผมได้ให้คำปรึกษา พี่น้องที่เป็นคู่ที่กําลังจะแต่งงานนั้นผมก็ถามว่ารู้ไหมครับว่าผู้ผู้หญิงส่วนใหญ่คิดยังไงเป็นยังไงถามผู้ชายนะครับแล้วก็ถามผู้หญิงว่ารู้ไหมครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยคิดยังไงเป็นยังไงก่อนที่จะแต่งงานนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นและในเวลานี้ที่คุณทั้งสองคนกํนาลังจีบกันอยู่นะครับเป็นแฟนกันอยู่และเตรียมตัวในการแต่งงานเนี่ยคุณกําลัง เอาตัวปลอมนะครับเอาตัวปลอมเนี่ยมาโชว์กั น, เ, นเอาตัวปลอมมาเล่นกันแต่หลังจากแต่งงานไปแล้วเอาตัวจริงแะครับทีนี้ตัวจริงมันจะเป็นยังไงบ้างก็เลยแนะนําหนังสือเล่มนึงให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกทุกคนนะครับก็น่าจะอ่านทุกทคนที่อยากจะรู้จักตัวเองซึ่งเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็แล้วแต่และต้องการรู้จักฝั่งตรงข้ามนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า men's are f o m แมนอาร์ฟอร์มมานะครับแล้วก็ w o m e n นอาร์ฟอร์มวีภาษาไทยแปลมานะครับหลายหลายเวอร์ชันนะครับพิมพ์ทั้งนี้จะเป็นทั้งที่20แล้วกัมังครับก็คือผู้ชายมาจากดาวอังคารและผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ในทั้งเล่มนี้นะครับผมก็จําได้ว่าเพศชายนั้นเป็นเพศที่มาจากดาวอังคารเพราะเนื่องจากว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขัน เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นจ่าฝูงเป็นสัญลักษณ์ของการเอาตัวรอดในขณะที่ผู้หญิงนั้นมาจากดาวศุกร์หรือวีนัสนะครับผู้หญิงนั้นก็มักจะใช้อารมณ์นะครับในการดูแลชีวิตดูแลครอบครัวดูแลต่างๆสิ่งต่างๆที่่รอบตัวผู้หญิงก็สามารถที่จะแสดงออกและสิ่งที่ผู้หญิงแสดงออกมากที่สุดก็คือการพูดนะครับเรียกว่า วาจาและผู้หญิงนั้นก็รวมกลุ่มกันนะครับมีชีวิตหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันในขณะที่ผู้ชายนั้นสามารถอยู่คนเดียวได้พี่น้องครับเมื่อเรารู้เรื่องของผู้ชายผู้หญิงแตกต่างกันเราจะต้องรู้ว่าคุณแม่ของเรานะครับก็มีความพิเศษเหมือนกันผู้ชายนั้นมักจะใช้คําคาหนึ่งนะครับก็คือผู้ชายนั้นชอบดําเนินการชอบทำ ในขณะที่ผู้หญิงนั้นชอบทอคเพราะฉะนั้นฝลัง่งเ็าเลยมีคำว่า walk นะครับก็คือหมายถึงคนที่ดำเนินการคนที่ชอบทำก็คือผู้ชายและคนที่ชอบทอคก็คือสุภาพสตรียังมีคาพูดคานี้ว่า walk the talk ก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นคำที่หนุนใจนะครับว่า walk the talk ก็คือการที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราพูด พระเจ้าสร้างให้ผู้ชายผู้หญิงนั้นมาเป็นคู่อุปถัมภ์กันนอกจากเราจะ walk the talk แล้วนะครับเราจะต้อง talk the walk หมายความว่าเราจะต้องพนัพนานาชื่นชมนะครับในสิ่งที่คนอื่นทาให้กับเราโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องชื่นชมกันแล้วกันเพราะฉะนั้น walk the talk แล้วก็ talk the walk นะครับจะต้องมีความสมดุลกันทั้งหลายครับโลกของเราใบนี้ต้องการคุณแม่และภรรยา ีดในพระอคพีบอกว่าสตรีที่โลกต้องการนั้นก็คือสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสตรียำเกรงพระเจ้านั้นเป็นสตรีที่เกรงกลัวพระเจ้าและให้พระเจ้ามาเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเขาคนที่มีความยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นจึงจะเป็นคนที่โลกยอมรับและเป็นความต้องการของโลกในทุกวันนี้ในวันแม่นะครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงเราเลิกถึงแม่ที่รักซึ่งเป็นภรรยาที่รักของสามีและเป็นแม่ ที่รักของลูกคุณแม่นั้นเป็นที่เคารพรักของลูกๆทุกคนครับมีคํากล่าวงี้ครับว่าเวลาที่คุณแม่คนหนึ่งตั้งครรภ์และคลอดลูกมีคนเกิดอยู่สองคนครับมีคนเกิดอยู่สองคนคนแรกก็คือเด็กที่เกิดมานะครับและมีคนที่สองที่เกิดก็คือว่าความเป็นแม่เนี่ยเกิดขึ้นทันทีพี่น้องครับเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์และคลอดบุตร มีความเป็นแม่เกิดขึ้นทันทีขณะที่ทุกคนเป็นเด็กนะครับเราคงจําได้ว่าคุณแม่นะครับมีความอบอุ่นเสียงของคุณแม่นะั้นเป็นเสียงที่เด็กนะครับทารกเนี่ยพบและเจอได้ยินได้ฟังเป็นอันดับแรกเจอคุณแม่ก่อนใครแล้วเมื่อเราโตขึ้นความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณแม่นั้นก็แปลเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องครับลองฟังความสัมพันธ์ที่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับ เด็กคนหนึ่งอายุสี่ขวบเขาบอกกับเพื่อนของเขานะครับว่าคุณแม่ของฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้ทุกอย่างนะครับเด็กสี่ขวบนะครับแต่พอเวลาเด็กเนี่ยโตขึ้นมาอายุ12เขาเปลี่ยนไปไหมครับเขาเปลี่ยนเขาเริ่มพูดว่าแม่ของหนูเนี่ยไม่รู้ไปเสียทุกอย่างแล้วพออีกสองปีต่อมานะครับพอเริ่มเป็นวัยรุ่นนะ อายุ14วัยรุ่นคนนั้นก็จะบอกว่าแม่เนี่ยแม่ของหนูเนี่ยช่างไม่รู้อะไรเลยพออายุ18ครับแม่ของหนูเนี่ยลาหลังไม่ทันสมัยพออายุ25ครับสถานการณ์เริ่มพลิกกับอนุชนคนนี้หรือยังโปรเฟชชั่นอลคนนี้เนี่ย ได้บอกว่าอืมครับพูดอย่างนี้ครับว่าแม่ฉันเนี่ยรู้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าฉันนะแต่พออายุยี่สห้าครับอายุสาห้าผู้หญิงคนนี้จะบอกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจให้ถามแม่ผมก่อนให้ถามแม่หนูก่อนพออายุสี่สิบห้าครับเรื่องแบบนี้ต้องขอให้คุณแม่ช่วยตัดสินใจให้ด้วย พออายุ65ห้าหรือเจดสบนะครับเขาจะบอกว่าถ้าแม่อยู่ก็จะดีเนาะอยากจะหารือเรื่องนี้กับแม่จริงๆเพียงครับเรามีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับตอนเด็กๆแม่ของหนูเนี่ยเก่งที่สุดในโลกพอตอนวัยรุ่นแม่นี่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอตอนวัยกลางคนเริ่มรู้ว่าแม่เริ่มรู้บ้าง แพอวัยชราก็อยากจะขอคำปรึกษาจากแม่จริงๆเนี่ยนี่คือชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่มีแม่และยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าแม่ของเราเนี่ยจากไปนะเราจะมีความรู้สึกคิดถึงแม่ว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเสียงของแม่เนี่ยคือเสียงนางฟ้าที่ขับกล่อมลูกให้นอนเราคิดถึงมือของแม่ที่ อบอุ่นคอยอุ้มชูประคองเราแล้วก็รูปศีรษะเราเสียงของคุณแม่บางครั้งก็นุ่มนวลบางครั้งก็แข็งกร้าวบางครั้งลําโพงเนี่ยเรียกพี่เวลาที่คุณแม่เรียกให้กินข้าวนะครับคาแรกกินข้าวลูกพอลูกไม่มาใช่ไหมครับเริ่มดังขึ้นดังขึ้นจนกระทั่งไหนที่สุดเนี่ยลำโพงเรียกพี่ครับก็คือดังกว่าลําโพงและ หลายหลายครั้งทีเดียวคุณแม่แสดงความอดทนอดทนมากกว่านะครับขนาดที่ว่าผู้ชายธรรมดาก็ทนไม่ได้คุณแม่กระเตงลูกไปซื้อของคอยห้ามลูกคอยปลอบลูกห่วงใยลูกเวลาผิดหวังท้อแท้ถูกเพื่อนลังแกหรือแม้กระทั่งอกหักคุณแม่ก็อยู่กับพวกเราเสมอในพระเจ้นะของพระเจ้านะครับอบายโยบบที่ี่2ข้อ ได้บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าและเจ้าจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกพี่น้องครับจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพราะเจ้าจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกสตรีที่ยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นสตรีที่เราทั้งหลายต้องการสตรีที่โลกต้องการผู้หญิงระยะหลังนี่นะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับนักการเมือง เก่งๆนะครับต่างประเทศให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่างๆนะครับก็เป็นผู้หญิงระดับผู้นําประเทศก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นผู้นําองค์กรที่เป็นผู้หญิงก็มีไม่น้อยผู้หญิงหลายคนนะครับอยากจะได้รับก า, ารชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงเก่งเมื่อนึกถึงคําว่าผู้หญิงเก่งนะครับก็ทําให้คิดถึงพระกัมภีร์ตอนนี้ครับว่า สดุดีบทที่ส1สิบเอ็ดนี้มีเช็คลิสต์อยู่ถึงยี่สิบสองข้อด้วยกันเราจะเห็นนะครับว่าผู้เขียนพระกัมพีสุภาษิตเนี่ยได้ผ่านโลกมาเยอะและเมื่อเขาผ่านโลกมาเยอะเขาก็ผ่านสตรีมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งโซโลมอนเนี่ยมีมเหสีมีนางสนมเป็นพันคนนับพันคนทีเดียวเพราะฉะนั้นการซ์โซโลมอนเนี่ยชมเชยผู้หญิงนะครับ ในประการแรกเราจะเห็นนะครับว่ากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยชมเชยผู้หญิงว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะเป็นผู้หญิงที่โลกต้องการคนคนนี้จะต้องเป็นภรรยาที่รักภรรยาผู้เป็นที่รักในพระคัมภีร์นะครับข้อที่ 11,12 อของสุภาษิตบทที่สานี้ได้พูดนะครับบอกว่าสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆ เธอจะนำสิ่งดีมาให้เขาและไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอมีคำกล่าวอย่างนี้ครับว่าถ้าผู้ชายคนใดเนี่ยได้ภรรยาดีชายคนนั้นก็เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกถ้าผู้ชายคนใดได้ภรรยาดีนะครับชายคนนั้นก็มีความสุขที่สุดในโลกผู้หญิงเก่งที่แท้จริงไม่ได้เก่งนอกบ้านอย่างเดียวครับหรือเก่งที่ที่ทางานแต่เมื่ออยู่บ้านนะครับ เธอจะเป็นภรรยาผู้น่ารักเป็นผู้ที่เอาใจใส่เป็นผู้ที่มีความสดชื่นมีชีวิตชีวานะครับผู้หญิงที่หวังว่าจะได้แต่งงานพี่น้องพึงระลึกถึงข้อนี้ไว้ดีนะครับเราจะต้องเป็นภรรยาที่รักของสามีประการต่อไปครับประการที่สองกษัตริย์โซโลมอนได้บอกว่าไม่เพียงแต่จะเป็นภรรยาผู้น่ารักเขาจะต้องเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกด้วยในข้อที่สิบนะครับ เธออาปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอข้อยีสิแปดได้บอกว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดลูกชื่นชมคุณแม่ครับว่าเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกของลูกนะครับลูกตื่นมาก็ชมเชยเธอเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างพร้อม การแต่งงานนะครับเมื่อมีครอบครัวแล้วร้อยทั้งร้อยครับจะมีลูกเป็นของตัวเองบทบาทที่สําคัญก็ตกอยู่ที่ผู้หญิงครับก็คือบทบาทของความเป็นแม่ประวัติศาสตร์บอกไว้นะครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จของผู้นําในสังคมเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิงมีคุณแม่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากที่สุดดังนั้นพี่น้องครับโดยพ่อญิงพี่น้องสตรีนะครับผู้หญิงเก่งทั้งหลายที่มีครอบครัวแล้วนะความเก่งของเราเนี่ยถูกถ่ายทอดพิสูจน์ความเก่งของเรา ผ่านเข้าไปอยู่ในชีวิตของลูกๆภาษิตต่างประเทศได้บอกงี้ครับว่าสิ่งดีที่คุณพ่อจะสามารถมอบให้กับลูกๆได้ก็คือรักคุณแม่ของลูกให้มากรักเขาให้มากๆครับเพราะว่าเขานั้นจะรักลูกของเรามากๆเช่นเดียวกันฝากคุณสามีนะครับว่าเวลาที่เราให้กําลังใจภรรยาของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งภรรยาที่เป็นแม่เนี่ยนะครับเรารู้นะครับว่าคนที่เป็นแม่เนี่ย รับความตึงเครียดความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างเราจะต้องให้อภัยเธอและรักเธอมากๆพี่น้องครับทุกๆครั้งที่ผมได้ให้อวาดในคำในการแต่งงานนะครับมักจะบอกว่าความรักก็เหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นั้นก็มีขนมปังนะครับแล้วก็มีเนื้อนะครับแล้วก็มีขนมปังเป็นส่วนประกอบหลัก เราเขีนแฮมเบอร์เกอร์ก็คือว่าเมื่อเอาขนมปังนะครับมาผสมกับเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มีขนมปังอยู่ข้างล่างเนี่ยในพระคัมภีร์หนึ่งโครินโบที่สิบาข้อที่4ี่ถึงข้อที่แเนี่ยได้บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานกระทําคุณให้แล้วก็พูดถึงนิยามของความรักอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าความรักก็ทนนะครับแล้วก็สุดท้ายความรักก็ทนต่อทุกอย่างผมก็มักจะบอกว่า ถ้าหากว่าเราบอกว่าเรารักเขาคำถามตัวเราก็คือว่าเราพร้อมที่จะทนไหมเพราะนิยามของความรักเริ่มต้นที่ความอดทนความรักนั้นก็อดทนนานพี่น้องครับเมื่อเรารักภรรยาของเราเมื่อเรารักสามีของเราเราจะต้องอดทนเราบอกว่าเรารักพี่น้องของเราเราก็ต้องอดทนต่อพฤติกรรมของพี่น้องต่างๆหลายๆครั้งทีเดียวสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเราก็จะต้องรัก และอดทนประการที่สครับที่โซโลมอนได้กล่าวไว้ผู้หญิงที่โลกต้องการเป็นผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะต้องเป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมในข้อที่1 5บ9นะครับได้บอกนิ้วครับว่ า, วาเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมือดอยู่และจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับ เครื่องปั่นฝ้าสมัยก่อนนะครับผมก็ถามผู้ใหญ่ผมถามว่าคนที่เป็นแม่บ้านที่ดีเนี่ยจะต้องนอนดึกตื่นเช้าใช่ไหมผู้ใหญ่ก็บอกว่าใช่ดูเหมือนมันไม่แฟร์นะครับผู้หญิงอาจจะบอกว่าทําไมฉันต้องนอนดึกตื่นเช้าได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตของผู้หญิงซึ่งเป็นแม่บ้านในสมัยก่อนนะเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยก็ทํางานในบ้านคอยดูแลครอบครัวนะครับ แต่ผู้ชายก็ออกไปข้างนอกเวลาผู้ชายออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับในระหว่างวันเนี่ยผู้ใหญ่ก็อธิบายผมฟังบอกว่าเขาไม่มีเวลานอนนะแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องตื่นตื่นเช้าและนอนดึกแต่ผู้หญิงเนี่ยมีเวลานอนที่บ้านตอนกลางวันจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอย่างนี้ก็ตามครับเราจะเห็นว่าคนที่เป็นสุภาพสตรีหรือคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยทำงานหนะักนะครับอาชีพแม่บ้าน นะดูเหมือนว่าไม่มีความสําคัญแต่เมื่อเรากรอ ก, กคําว่าแม่บ้านปุ๊บนี่นะครับเรากําลังดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านพระเงมบีบอกว่าเป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมเติรนขึ้นตั้งแต่เช้ามืดจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอยื่นมือออกจับในมือของเธอก็จับเครื่องปั่นฝ้ายทำงานทั้งวันครับผู้หญิงแบบนี้เป็นไงครับถ้าได้มาเป็นภรรยาปรากฏว่าในสุดแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยทั้งเป็นแม่ นะครับทั้งเป็นภรรยาและเป็นคนใช้เป็นคนงานนี่คือเขากำลังรับผิดชอบในสามด้านอยู่และสิ่งที่สำคัญครับก็คือว่าในข้อ21ครับข้อ21บอกว่าเธอไม่กลัวหิมะมาทำให้ครอบครัวเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อสองชัน้นนอกจากที่จะเย็บปักถักร้อยนะครับก็ยังต้องเตรียมเสื้อหนาวนะคอยดูแลเมื่ออากาศเปลี่ยน ทุกคนได้เสื้อสองชั้นก็คือเสื้อสองตัวนั่นเองและข้อ27นะครับเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียดข้าเลยเรื่องนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนครับคงจะตอบยากผมอยากจะบอกว่ามีคําคําหนึ่งนะครับที่กล่าวอย่างนี้ครับว่าเราสามารถรู้จักใครสักคนได้ด้วยการมองดูสภาพบ้านเรือนของเขาถ้าเบื้องบ้านเรือนขอเขาเนี่ยยุ่งเหยิงนะ ชีวิตของเขาก็ยุ่งเหยิงยุคสมัยนี้อาจจะมีหลายคนบอกว่าผู้หญิงไม่ต้องทำงานบ้านแล้วเพราะการทำหน้าที่แม่บ้านนั้นเป็นตัวแทนของยุคสมัยเก่าที่ผู้หญิงเป็นเบี้ยล่างเป็นเหมือนกับสาวใช้นะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการเป็นแม่บ้านที่ดีก็คือเป็นผู้ที่ดูแลบ้านเรือนอย่างดีเสริมความเป็นผู้หญิงเก่งครับผู้หญิงเก่งที่ทางานนอกบ้านนะครับมีความเก่งนอกบ้านถ้าเราเป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมเนี่ย เราจะดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีครับพี่น้องพี่น้องครับผู้หญิงครับขอให้ยิ้มหน่อยนะครับถ้าเหนื่อยนอกบ้านแล้วนะครับจะต้องเหนื่อยในบ้านด้วยแต่นี่การเสริมความเป็นผู้หญิงเก่งและทำให้มีเสน่ห์ดูดีขึ้นมาทันทีนี่เป็นกำลังใจนะครับของผู้เตรียมเทศนาที่เป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าต้นฉบับคำเทศนานี้นะครับเขาเขียนบอกว่า เวลาที่ผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถถามว่าใครภาคภูมิใจครับสามีสามีพี่เป็นผู้นำครอบครัวนะครับภาคภูมิใจนอกจากนี้นะครับประการที่สี่ครับนอกจากเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมเป็นเป็นภรรยาที่ยอดเยี่ยมเป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมนะครับประการที่สี่เป็นคนทำงานที่ชำนาญเรียกว่า skillful worker นะครับในข้อที่ส3บาี่ ได้บอกว่าเธอแสวงหาขนแกะและป่านและทํางานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนําอาหารของเธอมาจากที่ไกลข้อสิหครับเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยรายได้ของเธอเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกําลังและทําให้แขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กําไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับอันนี้เป็นคนทํางานที่ชํานาญ เป็นนักเก่งกำไรที่ดินด้วยนะครับเธอพ่เคราะห์ดูไรนานแล้วก็ซื้อไว้ปลูกสวนนงง่นคาดเอวด้วยกำลังได้ทำให้เธอแขนของเธอแข็งแรงไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอ น, นะครับแต่เป็นผู้หญิงที่อะไรครับมีกล้ามเป็นมัดมั ด, ม, ดมีกำลังที่จะทำงานได้และข้อส8บปครับเก่งกำไรได้ด้วยว่าสินค้าของเธอนั้นจะได้กาไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับ หมายความว่าการเฝ้ามองนะครับการเฝ้าดูแลครอบครวัวเถอนั้นเป็นอยู่สม่ำเสมอ24ชั่วโมงโอ้โหใครจะทำได้ครับใครได้ครับพี่น้องครับครอบครัวเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาที่เรียกว่าเราสองคนภารกิจในการทำงานประกอบเลี้ยงชีพดูแลครัวเรือ น, นนั้นเป็นความรับผิดชอบของสามี เป็นหลักแต่ว่าผู้หญิงนะครับถือว่าเป็นคนทำงานที่ชำนาญในบ้านนะครับเขาเป็นคนวางแผนมองไปข้างหน้าแม้ว่าผู้ชายจะดูมีบทบาทกว่าในเรื่องนี้แต่ผู้หญิงก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับทุกทุกท่านเนี่ยมีความเก่งอยู่ในตัวนะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญด้วยเช่นเดียวกันครับ skillful workers นะครับ หวังว่าพี่น้องสุภาพสตรีนะครับหลังจากฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติของผู้หญิงเก่งข้อไหนที่เราบกพร่องนะครับตั้งใจทําใหม่ครั้งหนึ่งครับประการสุดท้ายครับกษัตริย์โซโลมอนได้บอกว่าผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้หญิงที่โลกต้องการเขาจะต้องเป็นสตรีผู้เป็นแบบอย่างในเรื่องต่างๆสตรีผู้เป็นแบบอย่างในเรื่องต่างๆพระมั ง, งพีในข้อที่20นะครับเธอหยิบยื่นให้คนยากจน เธอยื่นมือออกช่วยเหลือคนขัดสนเธอทำผ้าปูเตียงสาหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองและเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินเธอทำเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากาลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึง วัวเอาะให้แก่เหตุการณ์ที่มาถึงหมายความว่าเป็นคนที่คาดคะเนคาดการมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านี่คือสัตรีที่โลกต้องการครับถามว่าตรงจุดต่างๆประเด็นต่างๆที่พระองค์พีนำเสนอและผมเป็นผู้ที่กล่าวให้กับพี่น้องฟังในช้าวนันนี้ได้เห็นถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงที่เป็นอุดมคติผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างในเรื่องต่างๆ ของครอบครัวในทุกๆด้านของชีวิตและผู้หญิงงามนะครับใช่ว่าอยู่ที่แต่งตัวแต่ผู้หญิงเก่งแบบพระกัมพีนั้นต้องมีคุณลักษณะชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องไม่ว่าจะเป็นการวางตัวที่เหมาะสมความมีน้ำใจต่อคนรอบตัวการประพฤติปฏิบัติตัวในทางของความชอบธรรมการใช้วาจาคาพูดที่ถูกต้องสัต์จริงและเป็นธรรมและเป็นวาจาที่หนุนจิตชูใจ ต้องเป็นคนดีครับพี่น้องครับคุณแม่ของเราท่านอาจจะไม่ใช่ผู้นําประเทศนะครับอาจจะไม่เช่าเจ้าของบริษัทใหญ่โตอาจจะไม่ใช่ถูกจารึกไว้ในธรรมเนียบคนดังแต่ว่าชื่อของท่านคุณแม่ของเรานั้นถูกจารึกไว้อยู่ในหัวใจของเราเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบรรดาผู้ที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายในโลกนี้และรวมถึงเราด้วย อย่าลืมกลับไปนะครับและบอกกับท่านว่าท่านคือผู้หญิงเก่งที่ผมต้องการที่ฉันต้องการผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับในข้อที่สิบข้อที่สาสิบและข้อที่สาเอ็ดในพจะนะสุภาษิตในวันนี้ขอพี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทัพทิมตรงนี้นะครับ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องที่เป็นสุภาพบุรุษที่ยังไม่ได้แต่งงานและกําลังหาภรรยาอยู่นะครับภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบหายากจริงๆ22ข้อที่ต้องเช็คลิสต์อยู่เนี่ยหายากจริงๆแต่หาได้หาได้ถ้าเป็นผู้หญิงที่พระเจ้ามอบให้กับเราแม้กระทั่งว่าบางครั้งทีเดียวตอนที่เราเจอเจอเขานะครับ ตอนที่เราเจอะเจอเราเริ่มต้นชีวิตกับเขานี่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเธอจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความสมบูรณ์แบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆข้อสาสครับสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีิรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรจะได้รับคำสรรเสริญสตรีที่ยำเกรงพระเจ้านะครับต้องมาก่อนการที่เราจะเลือกคู่ครองคู่อุปถัม์ของเรานะครับเราจะต้องเลือก สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสตรีที่รู้จักพระเจ้าข้อสาอ็ครับจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสันเสริญเธอที่ประตูเมืองนั่นหมายความว่าเราต้องขอบคุณภรรยาของเราเราจะต้องชื่นชมภรรยาของเราแลาจะต้องสรนเสริญผลงานแห่งน้ำมือของเธอพี่น้องครับเวลานี้ผมอยากจะให้พี่น้องที่เป็นสามีภรรยากันนะครับที่อยู่นั่งอยู่ด้วยกันนะครับ ขอให้สามีชื่นชมนะครับชื่นชมครับหันไปนะครับบอกกับสามีบอกกับภรรยาของตนนะครับบอกว่าผมชื่นชมมากขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผมชื่นชมมากขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ต้องเขินครับผมชื่นชมมากนะครับขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันครับผมอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังครับ มีศิจพิบาลนะฮะสคนเขานัดมาเจอกันพูดคุยกันอภิปรายเกี่ยวกับพระคัมภีรนะ์เรารู้นะครับว่าพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมีหลายฉบับนะบางคนก็ชอบฉบับนู้นฉบับนี้ฉบับแปลนู่นแปลนี้นะครับสิบานคนแรกเขาบอกว่าฉบับคิงเจมสเที่ดีที่สุดเพราะว่าดูคลังดีเพราะามีภาษาโบราณที่สลสลวยเป็นภาษาอังกฤษ ด, ด้วยนะอีกคนนึงบอกว่าต้องฉบับ NIV เท่านั้นเพราะว่าใชา้ศัพท์และภาษาสมัยใหม่ อ่านเข้าใจง่ายอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าอยากจะเข้าใจต้องฉบับอ่านง่ายเลยครับเพราะว่าเป็น simple English ก็คือว่าเป็นภาษาชาวบ้านเลยแต่ศรีบานคนที่สีหยุดคิดสักครู่นึงและเขาตอบว่าผมชอบฉบับแม่อ่านให้ฟังมากที่สุดก็คิดถึงอะไรครับฉบับแม่อ่านให้ฟังก็คือว่าฉบับที่ตอนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยคุณแม่อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนๆก็ถามว่าแล้วทไมถึงชอบฉบับแม่เลย เขารตอบว่าแม่ผมเนี่ยนอกจากอธิบายให้ผมฟังแล้วยังทำให้ผมดูด้วยยังทำให้ผมดูด้วย walk the talk ถือว่าเป็นฉบับที่ประทับใจที่สุดในพระคัมภีร์นะครับกล่าวถึงสม generation นะครับก็คือคุณยายคุณแม่และทิโมธีคุณยายคุณแม่และทิโมธีทิโมธีนินขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเขานั้นได้รับการเลี้ยงดูจากคุณแม่และคุณยายที่รักพระเจ้า แม้ว่าจะมีบิดานะครับเป็นชนชาติกรีกก็ตามแต่ความเชื่อของคุณยายส่งต่อมาถึงคุณแม่และความเชื่อคุณแม่นั้นส่งต่อมาถึงทิโมธีทิโมธีนั้นจึงกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นสิทธิ์ของอัครสาวกเปาโลจนเปาโลชื่นชมนะครับและเขียนชื่นชมคุณแม่ของทิโมธีและคุณยายของทิโมธีอยู่ในหนังสือจดหมายฝากในพระมปีพี่น้องครับ ผมอยากจะถามพี่น้องหลังจากที่เราฟังมาผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ผู้ชายจะแต่งงานด้วยมีคนพูดอย่างนี้นะครับว่าสวยแล้วอะไรครับรวยแล้วก็อะไรครับเก่งสามอันนี้นะครับถ้าครบเนี่ยครบทั่วนะแต่งงานได้เลยแต่พระกคมื่พีไม่ได้พูดอย่างนั้นพระพีบอกว่ายำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วนะครับ สวยไปหมดทุกคนยำเกรงพระเจ้านะครับรวยน้ำจิตน้ำใจรวยความรักและยำเกรงพระเจ้านั้นเขาจะเก่งเพราะว่าเขามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นครับระหว่างสวยรวยเก่งเอาไว้ที่เอาไว้ เ, ไวเป็นเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สนะครับแต่เบอร์หนึ่งก็คือว่ารักพระเจ้าจาเกรงพระเจ้า ก่อนจะจบนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมเตรียมไว้นะครับมีพี่มีท่านผู้ใหญ่เนี่ยส่งมาให้ผมนะคลิปวีดีโอพวกนี้นะครับจะบคลิปนี้นะครับเขาเรียกว่ากอดอ่าไม่มีขอโทษครับเอาไว้เป็นสัปดาห์ที่3นะครับจะมาแน่นอนนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องที่มีคุณแม่นะครับกลับไปเราจะต้องกอดคุณแม่นะครับกอดภรรยาของเรา ชื่นชมและก็บอกกับคุณแม่ภรรยาของเรานะครับว่าขอบคุณพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องที่เป็นโสตนะครับพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะคุณแม่หรือภรรยาแต่พระคัมภีร์นัพูดถึงสตรีเพศเราจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าชีวิตเราจะสวยงามเมื่อเรายำเกรงพระเจ้า ชีวิตเรานั้นจะรวยน้ําใจรวยไมตรีรวยความรักและชีวิตของเรานั้นก็จะเก่งมีสติปัญญาและนี่แหละครับคือผู้หญิงที่โลกต้องการเป็นผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานนะครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานนั้นผมจะขอเชิญ ค, ค, คุณแม่ทุกท่านนะกรุณายืนขึ้นนะครับเราจะอธิษฐานเผื่อคุณแม่ด้วยกันจะให้พี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อคุณแม่ด้วยกันนะครับขอเชิญคุณแม่ทุกท่านนะครับยืนขึ้นนะครับแล้วก็เราจะอธิษฐานเผื่อ ท่านขอร่วมใจใน่านครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงปโปรดอวยพระพรให้คุณแม่ทุกท่านที่ยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ในเช้าวันนี้จะได้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าได้รับกำลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นที่รักของสามีเป็นที่รักของลูกหลานตลอดไปขอพระเจ้าได้อวยพรพรประทานสติปัญญา ความสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาและความสุขสงบสันติในชีวิตของคุณแม่ทุกท่านในเช้าวันนี้และตลอดไปกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ